วิชาข้างกิเลสเป็นวิชาประเภทหนึ่งที่เป็นเรื่องของธรรมสร้างขึ้นมาจากความมีอยู่ของธรรมเป็นขแขนงขแขนงขึ้นออกมาเหมือนเ้นเดียวกับต้นไม้คือก่อนที่จะเป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบย่อมออกจากลำต้น ต้นย่อมออกจากรากเง่าของมันแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาเรื่องของธรรมหลักธรรมชาติทรรมในหลักธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นฐานของตัวเองอยู่แล้วตั้งแต่การในในหมานั่นเรียกว่าพื้นฐานของธรรม วิชาธรรมก็ผลิตออกมาจากน้ำเป็นขแขนงต่างๆแล้วก็ออกมาพูดได้หลายชนิดให้ไปเลาะเพาะพริ้งก็ได้ให้เป็นไปตามความจริงก็ได้ี่เรียกว่าชำละกิเลสบ้างประกอบความภาคเพียรบ้างถ้าพูดตามหลักความจริงว่าสังหารกิเลสนีถึงใจของผู้ปฏิบัติ หรือฆ่ากิเลสหรือสังหารกิเลสนีถึงใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ว่าท่านผู้ใดจะถึงใจในความรู้สึกก่อนแล้วก็ถึงใจในการระบายออกมาหรือแสดงออกมาวิชชาของธรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทใดผิดขึ้นมาให้ เป็นเครื่องมือกลับเข้าไปสังหารที่เลสแต่เป็นหลักธรรมชาติของตัวเองวิธีการอุดค้นวิชาธรรมให้เกิดขึ้นภายในใจพระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหรือดำเนินมาก่อนแล้วแพระพุทธเจ้านั่นเป็นสยามผูทรงพยายามขวนขวายเองรู้ขึ้นมาเองโดยลำดับลำดาล จนกระจ่างแจ้งในธรรมทั้งหลายทั้งพื้นฐานแห่งธรรมและธรรมที่เป็นสมบัติของพระองค์โดยเฉพาะบรรจุในพระไถ่เต็มควรแก่ความเป็นศาสดาของโลกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย<ด>แลย้วยังได้นำธรรมในพระไถ่นั้นออกมาสอนโลกธรรมเหล่านี้จึงเป็นประเภทหนึ่งจากโลกทั้งหลาย ท่านจึงให้ชื่อว่าโลกว่าธรรมไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนนับประเภทการศึกษารเรียนในแง่ต่างๆของธรรมที่ท่านเรียกว่าปริยัตินั้นคือเราศึกษาเพื่อความจดจำแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลสออกจากใจเราจำต้องได้ศึกษารเรียนก่อนไม่มากก็น้อย ดังอุปชาท่านสอนกรรมาฐานห้าก็คือวิชาห้าประเภทนั่นเองขึ้นมาให้พวกเราทั้งหลายได้ศึกษาเบื้องต้นดังท่านสอนว่าเจสาโล ม, มานะขาทันตาตะโจที่เรียกว่าอนุโลม ต, ตะโจดันตานาขาโล ม, มาเจสา เรียกว่าปฏิโลมคือย้อนหน้าถอยหลังตลบหลยตลบทบทวนเพื่อความชำนิชำนาญเพื่อความเข้าใจตามธรรมชาติมีอยู่ของอาการทั้งห้านี้ซึ่งมีอยู่ทั้งตัวเราตัวเขาแล้วก็ น, นำอาการทั้งห้าหรือวิชาทั้งห้าแขานงนี้ไปฝึกขัด เช่นการพิจารณาผมพิจารณาขนเล็กปันแล้ว ก, กระจายไปถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกตลอดส้นพางร่างกายล้วนแล้วตแต่เป็นวิชาธรรมที่แตกแขนงออกไปจากการปฏิบัติของผู้บาเพ็ญทั้งหลายนี่แหละ ว, วิชาธรรมและธรรมก็เกิดขึ้นจากวิชาอันนี้นิวิชานี้ ได้มาจากความจดจำจากอุปชาอาจารย์หรือครูอาจารย์ซะก่อนเป็นภาพจดจำแล้วก็มาคลี่กลายขายายออกดูตามความจริงของมันจนปรากฏความรู้แจ้งขึ้นมาภายในตัวของเรากลายเป็นสมบัติของเราขึ้นมานี่ท่านเรียกว่ารู้จริงคือความจริงรู้ตามความจริงเอาความจำมาปฏิบัติ เพื่อความจริงทั้งหลายวิชาธรรมจรึงเป็นวิชาประเภทหนึ่งไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกทั้งหลายธรรมโลกทั้งหลายนั้นได้แต่สิ่งที่ท่านท่าเรียกว่าอธรรมคือสิ่งที่เป็นค่าศิษแต่ธรรมนั่นแหละ ทำผิดขึ้นมาก็เพื่อจะแก้จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้จะสังหารสิ่งเหล่านี้ออกจากใจของตนที่เต็มไปด้วยอธรรมด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมเนีการปฏิบัติธรรมการบําเพ็ญธรรมจึงเป็นเรื่องพิเศษพิเศษอยู่โดยหลักธรรมชาติของตน แม้จะเรียนมาจากปริญญาหรือศึกษามาจากปริญญาแล้วกว็าตามจริงนแนนที่จะแตกออกไปเรืเ่อยๆนับตั้งแต่วงแคบถึงวงกว้างนับแต่หยาบถึงขั้นละเอียดนั้นจะเป็นขึ้นจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายโดยเหตุนี้การปฏิบัติจริงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่จะถอดถอนตนให้หลุดพน้นออกจากทุกข์ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายที่เคยพัวพันจิจใจให้กลายเป็นคนนเรื่องนราลาวกลายเป็นคนน่าจั์และส่วนออกไปจากใจไม่พระเฝ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังที่เคยเป็นมาเหตอการปฏิบัติธรรมจึงเป็นกรณีพิเศษจากโลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อย ทำทั้งนี้ต้องออกมาจากภาคปฏิบัติของผู้บาเพ็ญทั้งหลายซึ่งเข้าใจแล้วรู้แล้วถึงจะนำมาพูดได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เราจะด้นจะเดาเออกมาพูดด้นไม่ได้ถ้าทำภาคความจริงแล้วด้นเดาไม่ได้ต้องรู้จริงอย่างนั้นถึงจะพูดออกมาได้ตามความจริงที่ตนรู้ตนเห็นนั้น นี่จึงเป็นอกรณีพิเศษแต่พูดในเรื่องความเพียรก็ต่างจากโลกเขาเพียรในการงานของเขาอยู่มากงานใดก็ตามงานทางโลกกับงานทางธรรมนี้มีความตาแตกต่างกันอยู่มากทีเดียวการปฏิบัติในตัวของเราจะให้เป็นแบบโลกเป็นเหมือนโลกนั้นจึงไปได้ยากสําหรับผู้ที่จะตะเกียกตะกายเพื่อความพ้นทุกข์ให้ได้อย่างใจหวัง พัฒนาความเชื่อเชื่อธรรมดาในธรรมทั้งหลายนี้เป็นประเภทหนะึ่งเชื่อจากความฝังใจที่ได้รู้ได้เห็นเป็นจักขีพยานขึ้นมาเป็ น, นลาดับลําดานี้ประการหนึ่งความเพียรธรรมดาที่ตะเกียบตะการแต่ล้มลุกคุกคลานแต่ตามความจดความจําความเข้าเข้าใจในตหรับตาําราหรือเชื่อตามครูบาอาจารย์แม่นำสั่งสอนนั้นเป็นความเป็นประเภทหนะึ่ง เชื่อในสิ่งที่ตนรู้ตนเห็นนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งเพียนไปโดยลําดับลบําดาเพราะความรู้ความเห็นนั้นซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็ดึงดูดความเพียนให้หนักแน่นเข้าไปโดยลําดับหนึ่งเนี่ยจึงต่างกันต่างกันไปโดยลําดับลาดาแล้วที่สิ่งที่กล่ามาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะ พึงผลขวายในตัวเองและรู้ขึ้นมาภายในตัวเองโดยไม่ต้องไปถามผู้หนึ่งผู้ใดเลยท่านเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี่เป็นสมบัติของผู้ปฏิบัติโดยแท้สมบัติอันนี้แลเป็นเครื่องรักษาผู้ปฏิบัติได้โดยลําดับตามสมบัติที่มีมากมีน้อยท่านเรียกว่าธรรมสมบัติเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็มุ่งจุดนี้เป็นสำคัญเหมือนครั้งพุทธการท่านที่เป็นเจรณะของพวกเราล้วนแล้วแต่ท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นเจรณะของตนและได้เป็นจริงๆแล้วก็กลายเป็นเจรณะของโลกขึ้นมาทมจริงเป็นพิเศษอันหนึ่งจากโลกทั้งหลายและสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมก็เป็นท่าจิตกัน ส่วนมากอะธรรมต้องเป็นเจ้าของจิตใจของสัตว์โลกแม้ธรรมีก็แฝงเพ่นเป็นแต่เพียงว่าเพือแฝงเท่านั้นยังไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองจริงจริงเนี่ยที่มีกำลังมากเหมือนกับอธรรมที่มันไปสร้างตัวเองจนเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นภายในจิตใจของสัตว์โลก แล้วกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมันเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงได้ยึดจึงจึงได้ถือว่าหรือหรือจึงได้พูดกันว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นคือมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสใจของเรานี้น่ะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกิเลสประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษนอกจากถ้าว่าเป็นกิเลสก็เป็นกิเลสทั้งหมดว่าเป็นเราก็เป็นทั้งหมด ไม่มีทางที่จะแยกแยะกันออกได้ให้เป็นคนละสัและส่วนนีเพราะความกลมคืนเป็นอันเดียวกันเนื่องจากความสร้างเนื้อสร้างหนังของตนเองขึ้นภายในจิตใจของสั์โลกแต่ละดวงละดวงมีท่านให้นามว่ากิเลสคือเหมือนกับกาฝากแทรกอยู่กับต้นไม้และดูดซึมต้นไม้มาเป็นอาหารเลี้ยงลำต้นของตน และต้นไม้นั่นก็อับเฉาจนสร้างถึงตายไปได้เมื่อกาฝากมีจํานวนมากเนี่ยจิตใจของเราก็เสียคนได้อเมื่อสิ่งเหล่านี้มีมีกําลังมากแทรกซึมีภายในจิตใจสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างความเป็นอยู่สืบทอดกันไปโดยลําดับกํำลังไม่มีวันหยุดหย่อนผ่อนคลายเลยก็คือทกิเลสสร้างตัวเองภายในจิตใจของจักตโลกนี่แหละเมื่อท่านทเรียกว่ามันเป็นเราไปเสียหมด ประหนึ่งว่ากาฝากกับต้นไม้นั้นเป็นอันเดียวกันทั้งๆที่ไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นกาฝากเกิดขึ้นใบของมันก็ไม่เหมือนต้นไม้ต้นน้ำกิงกา้านสาขาของมันอะไรของมันอวัยวะของมันทุกส่วนเป็นเรื่องของมันทท้งนั้นแต่มันดูดซึมเอาต้นไม้มันเป็นอาหารของมันตลอดยังชีพของมันอยู่ได้ด้วยจน อาหารจากต้นไม้นี่ก็เหมือนกันยิเลสมันสร้างตัวของมันยังที่คือความเป็นอยู่ของตัวเองให้สืบทอดไปโดยลาดับํำดาจนเป็นกลับเป็นกั น, เ ป, น, กนเป็นกี่ล้านกับล้านกันก็ไม่มีใครที่จะนับอ่านได้จากความยืดยาวของยิเลที่มีความเหนียวแน่นอยู่และสร้างตัวเองมีภ า, า, ายจในจิตใจจึงไม่มีใครจะทราบได้ว่ากิเลศเป็นเช่นไร จิตเป็นเช่นไรเนี่ยมันกลายเป็นอันเดียวกันหมดนี่ใครอยากจะทราบได้ก็มีพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสด า, งาองค์เอกทรงบำเพ็ญพระองค์ทรงแก้ทรงไขทรงถอดทรงถอนสิ่งที่เป็นกาฝากทั้งหลายออกไปได้ด้วยการสร้างความดีทั้งหลายนับตั้งแต่ปราถนาเป็นพระโพธิญานหรือปราถนาเป็นพระพุทธเจ้า แล้วทรงตัวด้วยความเป็นพระโพ ธ, ธรริสัตว์ด้วยมาความภาคความเปลี่ยนไม่ลดถอยน้อยลงยเลยนี่คือการบํา เ, เพ็ญเพื่อกําลังทางความดีทั้งหลายที่จะถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกจากพระไทยจ น, นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยสยามภูโดยความรู้เองเห็นเองนี่เบื้องต้นมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแยกกาฝากกับต้นไม้ออกได้ ด้วยความรู้ชัดเจนมากนี้คือกาฝากนี้คือต้นไม้เป็นค่าสิบต่อกันไม่น้อยร้อยทั้งร้อยก็คือกาปากนั่นแหละเป็นค่าสิบต่อต้นไม้จนไม่ชำละออกหมดสังหารออกโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือกลายเป็นพระไถ่หรือพระกิจบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นแหละทีนี่จึงได้เป็นศาสดาสอนโลก ด้วยความอาบหารชามชัยโดยไม่มีใครเป็นคู่แข่งเลยพวกเราทั้งหลายก็ได้รับฟังพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและบรรดาสาวกทั้งหลายที่เป็นอันดับสองจากพระพุทธเจ้าขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังจากรพระพุทธองค์แล้วด้วยคําว่าสาวโกสาวโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังก่อนจึงได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมานั้นแล้วค่อยรู้เรื่องรู้ราว ค่อยชำระศาสางกาฝาภายใจิตใจออกได้โดยอันดับส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดมันมีเต็มอยู่ภายในจิตใจแก้ไขถอดถอนออกได้โดยชิ่นเชิงเพราะความสามารถฉลาดรู้ธรรกับกุมายาของกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกาฝาั้นน่ะแล้วกับเป็นที่พึ่งของตนได้โดยสมบูรณ์ เมื่อเป็นสราระของตนได้โดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็กลายเป็นสราระของโลกเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดของโลกเป็นแนวทางให้โลกได้เป็นคติเครื่องภามสอนโลกให้ยึดเหนี่ยวเลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี <c> ้ <oughs> นี่เราพูดถึงหลักธรรมชาติของจิตจริงๆนั่นหละเมื่อมันค้าเข้ากับถินที่ไม่ใช่ ที่กับกับกราศาทคือกิเลสแล้วเราไม่มีทางเราจรึงไม่มีทางทราบได้เพราะละเอียดพอๆกันจจิตเนื่องจากเป็นนามธรรมาเหมือนกันจะทำอะไรจริงเป็นการกระทบกระเทือนกิเลสเยอะเสียหมดความทุกข์ความลำบาก ก, กลัวตัวทุกตัวลำบากจะประกอบความภาคเพียรนี้ถ้เกีย่ยวกับกายด้วยวิธีการใดๆก็กลัวแต่ความลาบากความลาบากนั่นอ่ะ ถ้าพูดตามหลักความจริงแล้วก็คือกลัวกิเลสลำบากกลัวกิเลสเป็นทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพื่อชำระกิเลสมันเป็นการกระทบกระเทือนมันเป็นการตบการตีกิเลสการฟักการฟันกิเลสโดยลําดับลําดาและในขณะเดียวกันเพราะความสําคัญของเราที่ถูกกิเลสจืนอย่างจมมิตรก็กลัวความกลัวว่าเราเป็นทุกข์นั่นเองกิเลสมาเป็นเหาไป แ, แล้วเลยกลัวว่าเราเป็นทุกข์ เรากับทุกข์ก็แยกกันไม่ออกที่เรศกับเราก็แยกกันไม่ออกมันกลายเป็นอันเดียวกันเนี่ยด้วยเหตุนี้วิชาธรรมจึงเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะแยกจะแยกสิ่งเหล่านี้วิชาอื่นใดในโลกไม่มีทางที่จะแยกจะแยกระหว่างที่เรศ ก, กับธรรมหรือระหว่างตาปากกับต้นไม้ให้ออกเป็นคนละสัดละส่วนได้นอกจากธรรมเท่านั้นเนี่ยวิชาธรรมเป็นอย่างนี้ เบื้องต้นก็ได้มาจากพระพุทธเจ้าซะก่อนได้ยินได้ฟังแล้วอุบายต่างๆในการบาเพ็ญในการแก้ไขตอดถอนก็นำมาปฏิบัติตนเองค่อยๆเกิดผลขึ้นมาเกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นความโลภเกิดขึ้นก็เป็นเราเป็นเหล่าเสียความโกรธเกิดขึ้นก็เป็นเหลาเสียความหลงเกิดขึ้นก็เป็นเหลาเสีย ราคะตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นเราเสียขึ้นชื่อว่าอาการของกิเลสทั้งมวลที่แสดงออกเราก็ถือว่าเป็นเราเสียสิ่นนี่เพราะความรู้ความฉลาดของเราไม่ทันมันแต่อาศัยการปฏิบัติบำเ พ, พ็ญตามหลักศาสนาธรรมที่สอนไว้ก็ค่อยเข้าใจไปโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบบ้าง เป็นบางการบางเวลาเช่นจิตรวมสงบตัวหรือจิตเป็นสมาธิขึ้นโดยลําดับก็จะเริ่มเห็นภัยแห่งความฟุ้งซ่านของตนเองฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเรื่องอะไรก็ฟุ้งซ่านเพื่อความโลภความโกรธความห ล, มลมรงราคะตันหานแหละไม่ใช่เพื่ออะไรก็เมื่อจิตเคยสงบแล้วความฟุ้งซ่านเป็นสิ่งที่ผิดปกติกับความสงบย่อมจะทราบและฟุ้งซ่านเป็นในแง่ใด ในแง่ความโกรธหรือในแง่ความโลภหรือในแง่ความากำนัดยินดีหรือพอใจหรือไม่พอใจหรือเขาย่อมทราบไปโเดินหลับดาเพราะอาการเหล่านี้เป็นอาการที่แฝงขึ้นมาแฝงขึ้นมาผิดปกติของจิตที่สงบมีความสุขในขณะที่สงบตัวนะจึเงเป็นเหตุให้ตื่นตัวตื่นใจให้ได้ให้ได้ทราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งหรือว่าสิ่งนี้เป็นภัย สิ่งนี้เป็นหนึ่งนอกจากตัวของเรานอกจากกิจต้องเราไปจิตของเราสงบอันนี้ไม่พาให้สงบอันนี้พาให้พุ่งจ่าลำคาญจึงต้องได้ถืออันนี้เหมือนกับเป็นฆาตศึกอันหนงอันหนึ่งอระหว่างเรากับฆาตศึคื อ, คอคกิเลสนั้นก็ต่อสู้กันท่านต่อสู้กันไปเรื่อยๆก็เห็นเหตุเห็นผลไปเรื่อยๆและแก้ไขถอดถอนออกไปเข้าสู่ความละเอียดทำก็ละเอียดขึ้นกิเลกก็ละเอียดไปตามๆกันก็พอฟัดพอเหี่ยงกันไปนี่ วิธีการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิทของเรามีทั้งความสงบมีทั้งความแยบคายอุบายต่างๆทันกับการแสดงออกของกิเลสประเภทต่างๆแล้วมันก็พอเป็นพอไปพอฟัดพอเหวี่ยงสุดท้ายก็เห็นชัดเจนกินเลสแสดงอาการชนิดใดขึ้นมา ของตัวเองเพช่นแสดงอาการโลภไม่ต้องพูดที่อื่นโลภอยากได้อาหารเพียงเท่านั้นมันก็กระเทือนใจแล้วน่ะัือวันนี้จิตมันโลภอะไรอย่างนี้น่ะแต่ก่อนไม่เห็นว่าเป็นคฆาติสมันมันเริ่มทราบหรือโกรธใครก็ตามอ๋อวันนี้จิตมันแสดงอาการไม่ดีโกรธคนนั้นโกรธคนนี้คนนี้ไม่พอใจเขา นี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เกิดขึ้นจากเราไปโกรธเขาเขาจะผิดเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินก็ตามความไม่พอใจในเขาก็คือกิเลสของเราเองนี่ก่อมันก็ย้อนเข้ามาเห็นโทษของตัวเองมากกว่าที่จะเห็นโทษของผู้อื่นที่ว่าผิดไปแล้วก็พยายามเข้ามาแก้ตรงนี้นา น, นมันเริ่มเห็นเข้าไปอย่างนั้นหรือราคะตัณหามันเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปได้ยินเสียงึงอธรรมาชาติที่เป็นวิสภาคกันแต่ก่อนไม่รู้ กมกลืก น, ลนกันไปเลยทันกันไปเลยเมื่อปฏิบัติเข้าถึงจิตขั้นละเอียดพอแสดงอาการขึ้นมาอย่างนี้นี่จิตเราแสดงราคะคือความกำหนัดในสิ่งนั้นแล้วไม่ถือว่าสิ่งนั้นเป็นความผิดถือผู้เป็นราคะที่แสดงตัวให้กระเทือนจิตใจนี้เป็นความผิดแล้วย้อนจิตเข้ามาแก้ที่ตรงนี้นั่นนั้นเริ่ม ร, ร, มรู้เริ่มรู้เข้าไปอย่างนั้นจริงๆว่าผู้ปฏิบัติรู้ด้วยสติที่เราฝึกอยู่และพินิพจารณาไกรกรองด้วยปัญญา ก็ทราบไปโดยลาดับธรรมดาเมื่อทราบกันหลายครั้งหลายหนก็แก้กันไปได้เรื่อยๆตั้งแต่ส่วนหยาบส่วนกลางจนถึงขั้นละเอียดออืแล้วก็กระจายกันออกไปถึงขันห้าของตัวเองอว่ามันเป็นตัวพิษตัวภัยตัวเป็นทางแสดงออกหรือเป็นเครื่องมือแสดงออกของกิเลสทั้งหลายกิเลสอาศัยขันนี้แอร์เป็นเครื่องมือนะ่มันก็เริมทราบตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ขันนะขันไม่ใช่กิเลส แต่เป็นเครื่องมือของกิเลสที่นําไปใช้เราก็นําขันนั่นเข้ามาเป็นเครื่องมือของธรรมด้วยในขณะเดียวกันอ้าวจิตมันคิดมันตุงเรื่องอะไรมันคิดเรื่องเรื่องกิเลสเราคิดเรื่องธรรมแก้กันนัน่นมันสําคัญมั่นหมายเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ใช้ทัญญาความจดความจําที่พอจะแก้กิเลสประเภทนั้นได้ด้วยความจํำของเราด้วยทัญญาของเราจนกระทั่งกลายเป็นปัญญาขึ้นมานั่นยิน ญ, ญาณความรับทราบรับทราบเรื่องอะไร รับทราบที่จะเป็นเจเรศแล้วเราก็แก้เป็นธรรมไปโดยลำดับลำดานี่แหละเครื่องมืออันนี้เราแยกแยกออกมาใช้ทางด้านธรรมะเมื่อสติปัญญาของเราทันหรือธรรมะของเรามีในใจมีกำลังพอที่จะทันมันแล้วมันย่อมจะทราบกันได้เป็นลำดับลำดาไปทั้งทั้งแต่ก่อนเราไม่เคยทราบมาเลยท่านปฏิบัติไปโดยลาดับลาดาจิตก็ค่อยเลื่อนฐานะขึ้นไปเพราะเพราะใน รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอย่อมเจริญเติบโตขึ้นภาวาเติบโตสติไม่เค ย, เคยขาดบ้าขาดตอนก็ไม่ค่อยขาดและไม่ขาดนั่นปัญญาสิ่งนอนจมอยู่ภายใน จ, จิตใจเหมือนกับชุ่งทั้งท่อน ก, ก็แสดงตัวขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาปัญญาไหวตัวขึ้นมาจะไหวตัวเพื่ออะไรถ้าไม่เพื่อทราบเหตุทราบผลต้นไปในสิ่งต่างๆแล้วกิเลสเป็นสิ่งใดล่ะเป็นเหตุผลกลไกอะไรเป็นเรื่องอะไรปัญญาจะไม่จับ ปัญญาจะไม่คิดปัญญาจะไม่พินิจ พ, พิจารณาละ่ะนั่นมันก็ต้องเลยพิจารณาเมื่อพิจารณาเข้าไปแล้วมันก็ต้องรู้นะรู้ไปโดยลําดับลำนาตามขั้นของปัญญาซะก่อนอืนี่เรียกว่าแก้กันชำระหรือถอดถอนทําลายกาฝากภายในจิตใจเลื่อยไปโดยลําดับลําดาอย่างนี้เท่านเรียกว่าวิชาธรรมการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ทีนี้เมื่อ จิตได้เข้าอกเข้าใจวิถีการต่อสู้กับกิเลสแล้วเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหุ้มหอ่อจิตใจตัวของเราหมดทั้งทั้งล่างจนกระทั่งจะเคลื่อนได้สู่ความเพียนไม่ได้ก็ค่อยจางหายไปจางหายไปจนกลายเป็นความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีถอยเข้ามาโดยลําดับขึ้นมาโดยลํำดับลาดาอย่างนั้นก็กลายเป็นความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปเข้าสู่ความเพียรกล้า ดังท่านผู้ดําเนินในท่านสติปัญญาอัตโนมัติท่านเหล่านี้เป็นผู้ท่านเป็นผู้ก้าวเข้าสู่ความเพียรกล้าเลยความขยันหมั่นเพียรไปแล้วนั่นแต่ก่อนมีตั้งแต่กิเลสตัวขี้เกียจขี้ค้านตัวทอดแท้อ่อนแอตัวอํานาจวัสนาน้อยตัวไปไม่ไหวเต็มหัวใจและกล้าวไม่ออกเมื่อทําได้มีกําลังแล้วทําก็ก้าวได้เหยียบหัวกิเลสไปตัวขี้เกียจก็เหยียบไป ตัวทอแฉ่อ่อนแอแตะกาะที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็เหยียบไปทําลายไปเรื่อยๆสุดท้ายก็มีแต่จะเอาจะเอาท่าเดียวอถ้าไม่หลุดพ้นเสียแล้วเป็นถอยไม่ได้นั่นมันเป็นขึ้นเองเมื่อทำ ม, มีกําลังแล้วเราไม่คาดไม่หมายละหากเป็นขึ้นโดยกําลังของธรรมกาลังของธรรมกับกําลังของจิตกลมกืนเป็นเดียวกันกันแล้วหากเป็นขึ้นรู้ขึ้นถึงที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็น จริงที่ไม่เคยว่าเราจะตัดขาดแต่ได้ก็ตัดขาดไปได้ด้วยอํานาจของธรรมเป็นเครื่องมืออันทันสมัยทันการทันเวลาทันกับจิเลศทุกทุกแง่ทุกมุมทุกประเภทของจิเลศนัน่นเป็นอย่างนั้นนี่มีที่ท่านท่านหลุดพ้นไปได้ท่านหลุดพ้นด้วยอย่างที่กล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นการบําเพ็ญการแก้ไขาการถอดถอนจึงเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับพระผู้ปฏิบัติ และสถานที่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากทีเดียวเราดูที่ในตำรับตาลาข้างพุทธการมากจะอยู่ในป่าในเขาในถ้าเนื้อมผาหาสถานที่ที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวหาสถานที่ที่ไม่ประมาทนอนใจเพราะคนเราเมื่อไปสู่สถานที่เปรียวเปรียวสถานที่น่ากลัวแล้วย่อมเป็นความเพียรขึ้นมาเองใครจะไปนอนจมอยู่ด้วยความขี้เหียวขี้การเล่าเมื่อไปอยู่สถานที่เป็นภัยสถานที่จะต้องมีความ คิดถายไม่ปวุได้เมื่อประมาทแล้วใครจะไปยอมประมาทในสถานที่ควรจะตายเช่นนั้นด้วยความประมาทต้องไม่ประมาทนั่นนังตะกี้นี้ก็ได้พูดให้ฟังเรื่องการอยู่ในป่าในเขาปอนที่จะเทศนี้มันต่างกันมากอย่างนั้นแหละทั้งวันความเพียรเป็นไปตลอดสายไม่ต้องบังคับสติอยู่กับตัวนั่นแม่ปัญญาจะยังไม่ก้าวเดินก็ตาม เมื่อยังไม่ถึงขั้นปัญญาจะก้าวเดินสติดีระมัดระวังรักษาจิตอยู่เมื่อกําหนดที่จะให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใดก็ได้อย่างง่ายดายง่ายดายง่ายดายนั่นแหละความเพียรอยู่กับตัวเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยสถานที่ที่น่ากลัวนั่นแหละให้เป็นการกระตุน้นเตือนสติให้ตั้งตัวอยู่ตลอดเวลาเลยกลายเป็นความเพียรทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนั่นนอนก็มีเท่ากับมีสติอืม อะไรมาสัมผัสนิดหน่อยท่านั้นตื่นแล้วตื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ความเพียรของผู้อยู่ในสถ า, านที่ไม่ไม่ประมาทย่อมไม่ประมาทมันเป็นความเพียรตลอดเวลาเนี่ยอันไหนก็ตามขอให้เราได้บําเพ็ญขอให้เราได้ดําเนินตึกเราจะรู้เองดังที่กล่าวมาในต่าในเขาสถ า, านที่หน้าตัวหน้าหวาดเสียวและเป็นสถ า, านที่ตั้งแห่งความเพียร โดยลําดับดํามดานี้พระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วพระสาวกท่านพากันดําเนินมาแล้วทั้งนั้นด้วยเหตุ น, นี้การบําเพ็ญในป่าในเขาในถ้ำในล้ำป่าจึงเป็นสถานที่อันเหมาะสมอย่างยิ่งตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วว่าลุคโมรัสนานางเป็นต้น น, นี่นันเนี่ยเป็นการช่วยได้เป็นอย่างดีคือช่วยความเปลี่ยนของเราเราจะเห็นได้เวลา เราออกมาจากสถานที่นั่นมาอยู่ที่ธรรมดาธรรมดาและมาอยู่กับหมู่เพื่อนข้ามขี้เกียจขี้ค้านแสดงตัวขึ้นมาเนี่ยน่ะความเพียรไม่ค่อยก้าวหรือไม่ก้าวนั่นมันเป็นอะไรเพราะจิตมันนอนจมโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากกิเลสพาให้มันจมนั่นเองกิเลสมันง่ายที่สุดที่จะทําเราให้ล่มจมไปไปขอให้ในช่องได้โอกาสเพราะกิเลสมันมีแต่ช่องมีแต่ หาโอกาสจะทำลายเราอย่างเดียวเมื่อมาอยู่ที่นั้นก็เป็นอนุภาคเปิดโอกาสให้ี่เลสก็ก็ว่าได้เพราะมันต่างกันมากกับอยู่ในป่าในเขาเพียงคนเดียวเนี่ยท่านที่ได้สอนให้อยู่ในป่าในเขาถานที่ที่เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรอยู่อย่างนั้นไม่นับวันนับคืนนับปีนับเดือนนะดูตั้งแต่จิตดูตั้งแต่เรื่องที่จะเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันมันกลัวอะไรมันไปสัมผัสสัมพันสกับอะไรกลัวว่าเสือ เสืออยู่ที่ไหนความคิดสังขารนั่นนี่มันปรุงต่างหากมันหลอกว่าเสือนั่นมันก็รู้ทันจ้ะสังขารความปรุงว่าเสือก็เกิดขึ้นที่ใจทั้งทั้งที่เสือไม่มีมันหลอกตัวเองน่ ะ, นะแล้วบังคับจิตให้มันคิดเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรที่จะเป็นโทษเจือผิตใจโทษเจือความสงบบังคับจิตให้อยู่ในในอัตเมตธรรมเมื่อจิตอยู่ใ น, ในอัตเมตธรรมอัตธรรมเป็นเครื่องรักษาจิตจิตย่อมปลอดภัยไร้กังวลแล้วสุดท้ายก็เข้าสู่ความสงบเย็นแน่วเลยนั่น เอาที่นิวาละพี่หลังที่จากนั่นแล้วแม้จะเสือก็ะหึมกระหึมอยู่ข้างที่อยู่แลนะมันก็ไม่เห็นกลัวนั่นฟังสินั่นล่ะเมื่อทําเข้ารักษาใจแต่ให้ากิเลสรักษาใจหลอกวันยั่งคําเสือไม่มีก็หลอกว่ามีอะไรไม่มีก็หลอกขึ้นมาว่ามีว่ามีบ่ามีแล้วเป็นไปตามมันจมไปตามมันไม่มีคำว่าได้ผลเป็นผลเป็นประโยชน์เลยมีแต่เสียโดยแต่เดียวผลลบตามกันไปไเรื่อยๆพอเราได้ใช้อัดใช้ทำ เข้ารักษาตัวคติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมนั่นอุตสาหะธรรมหมุนเป็นเปียวเดียวกันเข้าสู่ใจรักษาใจจนกระทั่งใจมีกําลังขึ้นมาเมื่อใจมีกําลังขึ้นมาแล้วแม้เคยกลัวมาขณะก่อนแต่ขณะนี้ไม่กลัวเห็นได้อย่างชัดเจนของผู้ปฏิบัติอะถ้าเราอยากจะรู้ก็เอาลองดูสิธรรมะบูชาโกหกโลกเมื่อไรเมื่อทํำได้เข้าสนิท กับใจแล้วเป็นเครื่องหนุนใจย่อมไม่มีความกลัวอา้าวถึงเสือจะเดินดุ่มๆเข้ามาตอนมาหาเราเราจะเดินก็ไปหาเสือได้อย่างไม่สตกสตานเลยทําไม่เป็นอย่างนั้นทั้งที่มันเป็นแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใ ช, ม ใ, ชมใช่มาขวี้เฉยเออได้ปฏิบัติแล้วได้ฝึกได้ทรมานตนนะถึงเหตุถึงผลถึงเป็นถึงตายอา้าวจะตายก็ตายเถอะมันทําไมมันถึกลัวนักหนาวะมันจะไม่ตายในโลกนี้มันจะอยู่ขําฟ้าหรือเป่า เข้าไปเดินเข้าไปเสืออยู่ตรงไหนมันหลอกเราว่าเสืออยู่ตรงไหนเดินเข้าไปหาเสือเลยเดินเข้าไปมันไม่มีมันหลอกเอเดินเข้าไปเดินเข้าไปจนตั้งคําสัสตว์ขึ้นมากึ๊กเลยเถอะในหวัวใจอาวันนี้ทางวิจิตนี่ยังไม่กล้าหารไม่รู้เรื่องรดุราวท้องความกลัวความกล้านี่เมื่ อ, อไหร่แล้วจะไม่กลับใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะแล้วไม่สะทกระท้านกับนั่นมากิเลสภายในหวัวใ จ, จของเราเนี่ยมันหลอกเราอยู่เวลานี้มันเป็นบ้าให้เป็นทุกข์จริงๆเขาว่าลมปางเขาไม่เห็นม้าเป็นทุกข์อะไรเลยนะ เดินไปเดินตรงนี้แล้วมัน ไ, ไม่มีเสือเอาไปตรงนั้นแล้วอยู่ตรงไหนอีกเดินไปอีกไปหาตรงที่ว่าเสืออยู่เสืออยู่มันหลอกเรามันสังขามชัญญามันหลอกหลอกไปที่นี่ก็แล้วไปเช่นกันแล้วหนึ่งแล้วนะโกหกเราสองแล้วนะหตามกันไปเรื่อยไม่ใช่ไปเฉยๆไปด้วยความเพียรสังเกตตัวเองไปตลอดเวลาคอยจับผิดกัน <c oughs> เป็นตัวผิดเป็นตัวหลอกลวงธรรมะเป็นตัวจับผิดเป็นตัวแก้ความหลอกลวงสุดท้ายก็เกิดความกล้าหาญขึ้นมา นืก้าหารไม่ใช่กาหารธรรมดานี่ก้าหารอย่างที่ว่านี่แหละเนื้อให้หมดในโลกอันนี้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวเลยเอาแต่เสือเดินเข้ามานี้เดินเข้ามาก็เดินใส่เสือเลยไม่สะทกสถานจะไปรูปคำหลังมันได้อย่างสบายเออเพื่อนทุกเกิดเจ็บเจ็บตายมาหากันเหนือมาเยี่ยมกันเหนะือถึงเสือจะกินมันก็ไม่ไม่มีกลัวไม่สะทกสถานเอาตาก็ตายเพราะความกล้าหารนั่นเองไม่ได้ตายเพราะความกลัวเลยนั่นเห็นไหม ขณะนี้เป็นอย่างนี้กลัวจนตัวสั่งขณะต่อไปด้วยการบําเพ็ญนี้ความกล้าหาญทางใจเป็นขนาดนั้นดูที่นี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่กินไงไม่งั้นท่านจะฝึกให้ท่านจะสอนให้ฝึกให้ทรมานหรือกิเลสเป็นตัวทําให้คนเสียธรรมะเป็นเหตุให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้นท่านจึงให้สอนด้วยวิธีนี้แล้วให้อยู่ในป่าอะอยู่ในป่าในเขาที่ไหนกลัวยิ่นเข้าไปไม่ใช่ไปไปนอนให้มันกินนิเสรนเสือ S <S.> เอาไปด้วยความเพียรนี่นะ่ะกล้าด้วยความเพียรสละตายด้วยความเพียรสละตายด้วยส ต, วติปัญญาด้วยอะไรต่ำไม่ใช่สละตายแบบขึ้นเฉียงเฉยๆนั่นนี่มันก็รู้เลยสิเมื่อเป็นชนะมันก็เห็นคุณค่าของการอยู่ในป่าอยู่ในเขาเห็นคุณค่าไปด้วยลําดับดามเมื่อเราได้ปฏิบัติในสิ่งใดแล้วย่อมเห็นเหตุเห็นผลกันได้เห็นคุณค่าตลอดถึงการเห็นควรจะเห็นโทษมันก็เห็ น, หนในอย่าง ช, าชัดเจนเพราะการปฏิบัตินั่นแหละ เมื่อตนก็ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นแล้วและรู้ขึ้นมาด้วยการปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆแล้วทาไมมันจะพูดมาได้มนุษย์เราเป็นใจเป็นของรู้รู้แล้วทําไมพูดไม่ได้ปากเป็นสิ่งที่พูดได้แท้ๆทาไมพูดไม่ได้ล่ะเอาอย่างนั้นเลยที่ให้รู้ที่เรื่องนักปฏิบัติเราเป็นยังไงทาํามั่งพระเจ้านั้นเป็นโมคฆะจริงๆเหรอสอนโลกแล้วโลกมันไม่ยอมรับนั่นทีโลกมันเป็นโมฆะหัวใจเป็นโมฆะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นโมฆะธรรมะทิ้นกิเลสประเสริฐอะไรเราก็เหมือนกับเอายาไปใส่คนตายนั่นแหละจะเป็นอะไรอืมมันไม่ผลประโยชน์อะไรยาจะมีเสียวิโสขนาดไหนเอาไปใส่คนตายพี่เอาไปกรอกลงไปเอาฉีดลงไปแล้วก็ฉีดคนตายมันจะฟื้นได้อย่างไรมันตายไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่คือเมือนกันธรรมะอยู่กับคนประเภทตระปรมะ ไม่สนใจกับสิ่งได้เลยนอกจากกีดตันหาชุดลากไปเหมือนกับสิ่งไม่มีหัวใจเท่านั้นแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรธรรมะเราไม่ใช่คนปกเภศนั้นนี่นะเรารู้ดีรู้ชัวเรามาบวชในพุทธศาสนาเราบวชเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อคุณงามความดีแล้วสิ่งได้ที่เป็นข้าสึกต่อคุณงามความดีทําไมเราจะไม่รู้ทําไมเราจะไม่แจ้ไม่ถอดไม่ถอ น, ถอนล่ะเรายิ่งเป็นพระทั้งองค์เป็นผู้ปฏิบัติทั้งคนด้วยทั้งพระทั้งองค์ด้วยทําไมจะไม่แก้กันล่ะ ืมดูเฉยทําไมการอดูเฉยเป็นประโยชน์อะไรบ้างถามตัวเองที่ยายครูวาจาถามจใจผู้อื่นผู้ใดถามมันไม่ดีมันจะเกิดกิเลสขึ้นมาด้วยการกระทกระเทือนการกระทกระเทือนนั้นกิเลสมันมันเกิดมันเกิดขึ้นในขณะขนาดนั้นมันเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสเคยได้พูดแล้วไม่มีอะไรแหลงผมยิ่งกว่ากิเลสถ้าสติปัญญาไม่ทนันมันจะเกิดได้วันย้างคําคืนย่างลุง่มกระดิกออกมาพับเป็นเรื่องของกิเลสทางนั้นจากหัวใจดวงนั้นอืต่อเมื่อสติปัญญาทันมันนั่นแหละมันถึงจะรู้ มันออกอาการในอาการใดรู้จนกระทั่งอ้าวฮะมันบริใจบริสุทธิ์นั่นคนมายาของกิเลสมันออกแง่ไหนนี่ือทําไมมันจะไม่รู้มันอยู่ในหัวใจนี่ทําลายมันจนพังไม่มีอะไรเหลือตลอดถึงโคตแส้ของกิเลสเรียกวิชาปัจยาเขาคือโคตแท้ของกิเลสที่พาให้สัตว์เกิดเจ็บเจ็บตายตลอดเวลานีะพังไปหมดแล้วมันจะไปแสดงอยู่ในจิตดวงใดในอาการของผู้ใดมันจะไม่ทราบล่ะือก็เมื่อทําเป็นผู้สังหารมันเองเพราะเหนือมันอยู่แล้วทําไมจะไม่ทราบอากัปริยาที่มันแสดงออก มันไม่มีที่จะแสดงออกจากหัวใจแล้วมันแสดงออกจากหัวใจใดมันก็ต้องรู้ถ้าลงมาในเหนือมันแล้วมันต้องรู้นั่นการชำระตนเองต้องให้มีความอาภานทานใจเราเคยจมอยู่กับกิเลสมันพ้าเราวิเศษวิโสอะไรบ้างเออเดินจํากรมก็กลัวแต่จะตายนั่งทำที่ภาวนาก็กลัวแต่จะตายมีอะไรมีแต่กลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายเรื่องกลัวแต่จะตายคือเรื่องอะไรนั่นน่ะเฮ้ยพี่นาที่ถามเจ้าของอย่างนี้สิ จิตเมื่อเวลาตีตเขาถูกช่องถูกทางกิเลสเวลาตีตเขาถูกช่องถูกทางมันหมอบเหมือนกันนั่นแหละท่นก็มาจะไม่หมอบไม่หมอบพระเจ้าจะสอนให้ตีให้ทำระหรือให้สังหารมันเหถอเะทําเท่านั้นที่จะทําให้กิเลสได้กระเพือนนอกจากนั้นไม่มีอะไรที่จะทํำให้กิเลสกระเทือนได้เลยมีแต่การปฏิบัติเราต้องใช้ความคิดความอ่านสติ ป, ปัญญามีอย่าอยู่เฉยเฉยนั่นว่าทําจิตให้สงบแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝัน มันจะตายริงกรป๋องจะไม่เกิดจนกระทั่งถึงสมาธิดู ค, ความสงบใจนั่นแหละถ้าทําด้วยความอ่อนแอทอดแ้ความขี้เกียจขี้ค้านพาให้ทําแล้วมันจะจมลงในหมอนตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเห็นโทษของมันในสิ่งเหลนี้ผู้จะปฏิบัติตนเพื่อความพ้นทุกข์ต้องเอาชิ้นเอกจังอย่าท้อถอยให้ดูหัวใจเจ้ของเนี่ยสําคัญมากที่ตรงนี้นะอย่าไปดูสิ่งใดฟังสิ่งใดสําคัญกับสิ่งใดมากยิ่งกว่าความเคลื่อนไหวของใจที่แสดงออกมาด้วยอนานาจของกิเลสแทบทั้งนั้นแหละ มันแสดงมาถ้าสติปัญญาไม่ทันมันจะมีเึ็นเรื่องของกิเลสนอกจากว่ากิเลสมันอ่อนตัวลงจนกระทั่งถึงว่ามันหลบมันซ่อนไม่มีแล้วนั่นนัแหละมันจะไม่แสดงมี่จะทำละที่สติทำปัญญาทำแสดงตัวแสดงลวดลายอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจดวงนั้นนะเวลากิเลสมันกระดิกออกมาแล้วขอเป็นอันว่าถูกสังหารกันมันตีกันตีมันจะแสดงอะไรล่ะกิเลสมันก็ฉลาดไม่งั้นจะเรียกมันจะปกครองหัวใจโลกคุ้มหรือ มาเป็นเจ้าอำนาจปกครองใจโลกได้ยังไงนั่นมันลําบากขนาดนั้นนะเรื่องการชำระกิเลสถ้าเราว่าจะเอาความลําบากนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจอีกก้าจะเป็นเรื่องของกิเลสสีให้เกิดความทอดแท้อ่อนอะไรอีแล้ไปไม่ไหวหรือว่าอีาาาแล้วนั่นฟังซิมันแหลมมากกิเลสมันแทรกขึ้นมาทุกระยะระยะนะการพูดเรื่องกิเลสมันต้องเห็นเรื่องของกิเลสพูดเรื่องของธรรมต้องรู้เรื่องของธรรมเห็นเรื่องของธรรมมัน ใจมหัวใจเธอหน่ะมันพูดได้เต็มปากนั่นแหละถ้ามันไม่เห็นนี่สิมันลําบากจะทําอะไรก็กลัวแต่จะเป็นจะตายเนือไม่ได้เรื่องวันหนึ่งวันหนึ่งปวดเข้านากระมันนับปันนับคืนนับปีนับเดือนับอะไรมืดมืดแจ้งแจ้งแม้สัตว์เดชานเขาก็อยู่ในความมืดแจ้งเหมือนกันกับเราก็ไม่เห็นมิสิริสุขอะไรแล้วเราเอาความมิสิริสุขอะไรมาจากมืดจากแจ้งเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเท่านั้นพรรษาล่ะถ้าไม่ดตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฆ่าที่เหลือตัว มันเป็นพิษเป็นภัยต่อใจแล้วเราอย่าหวังว่าพิษเป็นความสุขเราจะไปโลกไหนถามเจ้าของสิโลกไหนโลกวิเศษถ้าลงในกิเลสบีบหัวใจอยู่แล้วมันก็เหมือนกับนักโทษย้ายจากเรือนจำนี้ไปสู่เริอนจำนั้นย้ายจากเริอนจำนั้นสู่เรือก็คือนักโทษได้ที่ได้าฐานนั่นเองมันมีความสุขค ว, ความเจริญความเลิศเลอที่ตรงไหนพิจารณาเอาสินี่แหละการถามเจ้าของให้ถามงั้นพอกิเล็สอยู่บนหัวใจมันก็เป็นเหมือนกับนักโทษ ย้ายพบย้ายภูมิย้ายไปไหนมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นนักโทษของกิเลสบีบหัวใจตลอดเวลานะห้ามันจะแหลกไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละไม่ถามถามมาทําไมอือดีต่านมาแล้วยุ่งอะไรนั่นอนาคตยังไม่มาถึงยุ่งอะไรปัจจุบันก็รู้เท่าทันไม่ยึดไม่ถือนั่นนั่นฟังสิแล้วมันจะเปหมายอะไรเมื่อไม่หมายแล้วหมดจังหมดแล้วจะเอาทุกมาจากไหนนั่นทีนี้มันก็ทําให้รู้ที่ว่า ที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ในหัวใจนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นนั่นมันมีมากมีน้อยก็าตามเหมือนอย่างน้ำอย่างเสี้ยนนาะเนี่ยละเอียดขนาดไหนมันก็ทุกข์ถ้ามันยังมีอยู่ในร่างกายของเราถอดถอนมันออกหมดซะหนึ่งมันจึงจะสบายจิตใจก็เหมือนกันทำพระพุทธเจ้าถอดถอนกิเลสไม่ได้แล้วมันก็หมดจะ อ, อะไรมาถอน อ, อะไรมาถอนแล้วก็ย่นเข้ามาหาันตวงเราอยู่ ถ้าเราต่อดถอนกิเลสไม่ได้แล้วได้ใครถอนใครจะเลิศยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราน่ะใครจะเก่งยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเราใครจะเพียรยิ่งกว่าเราผู้แก้กิเลสในหัวใจเรานั่นใครจะใครจะใครจะฉลาดยิ่งกว่าเราผู้พยายามแก้หัวใจเราด้วยปัญญาใครจะมีสติยิ่งกว่าเราผู้ตั้งสติตลอดเวลานี้นั่นฟังสิมันเกิดได้เกิดได้มีได้ถ้าเราได้ปักใจลงไปเพื่อความมีความเป็นในสิ่งที่เป็นสิเลสมงคลทั้งหลายสำนักตัวของเราอ ต้องเป็นได้แน่นอนไม่งั้นทำพระเจ้าไม่แ ย, ยวกวัสดขค่ะทำตามใจชอบแล้วเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมเท่านั้นสอนคนให้มีให้พ้นทุกข์พ้นภัยหัวใจนี่เป็นน้าคันมากนะออืร่างกายเป็นอะไรนี่เป็นเพียงเครื่องมือเท่านั้นอือาศัยอยู่ในร่างนี่แ ล, แล้วยังไม่แล้วยังมายืดร่างนี้มาเป็นตัวงเราอีกแบกหมดเลยใช่หไหมคิดีห็นมันมันฉลาดไหมยึดนี่บุปาทานะธนาคารทันวะนุ่นออกมาจาก ใจนั่นแหะยดืดใจยืดนะโดยดำลำดับหนาพอปล่อยก็ปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วปล่อยเข้าไปจนกระทั่งถึงนาคแก้วลากปล่ลอยถอนปวดมันออกมาหมดไม่ถามหานิพานถามาามาทําไมนมีกิเลสทั้งนั้นมันพาให้ยุ่งนั่นยุ่งนี่วุ่นนั่นวุ่นมีตลอดเวลากะนั่นข้างนี่มีแต่เป็นลมๆแรงๆคว้าน้ํา เ, เหลวไปหมด ปากลงไปที่ ต, ตรงไหนที่เด็ดมันมันสร้างเรื่องขึ้นมาอยู่ตรงไหนมันสร้างที่หัวใจนั่นแหละดูมันให้ดีการประกอบความภักเปลี่ยนยาไปหาไม่ร่ำไม่ลาอุบายวิธีดับเจ้าของมันเป็นอุบายของเจ้าของเองเป็นกรณีพิเศษสําหรับแต่ละคนละคนที่จะหาอุบายฝึกตนเองแก้ไขตนเองครูบาอาจารย์กัยกยื่นให้กับเหมือนกับยื่นให้ทําทั้งรุลนั่นแหละ แต่ความต้องเอาไปเจริญในเอา <c oughs> คิดแยก <c oughs> ตัวเอง <c oughs> ไม่เช่นนั้นก็ไปไนรอกนะแต่ว่าประกอบพี่เจอความเปลี่ยนก็ดีธรรมพุทเจ้าทรงสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมซึ้งทั้งนั้นถ้าเราจะใช้ความพิจารณาตามความซึ้งแห่งธรรมของพุทธเจ้าที่ทรงแสดงออกมา <c oughs> เพราะทรงแสดงมา <c oughs> ด้วยความบริสุทธิ์หมดจดแต่แท้ในภายในพระไถ่ <c oughs> และความฉลาดแห้มผมด้วยแสดงออกมาด้วยความฉลาดแห้มคมที่สุด ก็อคีพระพุทธเจ้าพูดพิีิพิจนาตามพวาดไม่ว่าจะบทใดบาทใดแง่ใดก็ตามจะได้ความซึ้งใจมาโดยลำดับมรนด่างเพราะมีน้ำหนักพอๆกันหมดในนามว่าสุขคาลังจัดได้ชอบแล้วน่อย่งนี้เราไม่พิจนาแล้วสิมันถึงไม่ได้เรื่องใะไรลาวอะไรอยากให้หมูเพื่อนได้รู้ได้เห็น ทำทั้งหลายขอแทบเป็นแทบตายสอนก็สอนเป็นเม็ดเป็นหน่วยสอนหมดไส้หมดพุงไม่มีอะไรเหลือเลยยังยึดเอาไม่ได้มันก็สุดทีใส่เองฟังเลยอยสอนอะไรไปอีกสอนหมดพุงแนละ้วฟังแต่ว่าหมดพุงไปเลย พากันตั้งใจพุทปฏิบัติให้เหมือนอยู่คนเดียวต่างคนต่างเหมือนอยู่คนเดียวทั้งๆที่ อ, อยู่ในถ้ากลางหมือเพื่อนฝูงนั่นแหละไม่ให้กังวลไม่ให้กังวลกันไม่คิดเป็นเรื่องกังวลเป็นอันเป็นการทำลายที่ธรรมะให้ขาดว่าขาดตอนไปด้วยความกังวลในสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้คนนั้นคนนี้ไม่ไดี พยายามสิเจ้าเรื่องจริงมันอยู่ที่ไหนก็กบอกแล้วอยู่ที่จีตแสดงอยู่ที่นั่นนะ่ะมาหมายเรื่องนั้นและมาหมายเรื่องนี้ผู้นั้นเองเป็นผู้ออกไปหมายนะ่ะล้วหลงตื่นเงามันนี่นะ่ะไม่ใช่อะไรนะ่ะจำให้ดีนะคํานี้นะ่ะอืมหายมันเวลามันเป็นขึ้นมามันจะเป็นเหมือนกับกังวานอยู่ภายในหัวใจอยู่ของน่ะครูบาอาจารย์จะแสดงไว้นานเท่าไหาร่ก็ต่าง มันจะไปกลางวานอยู่นัในนั้นด้วยความจริงที่เรารู้เราเห็นขึ้นมานนเนี่ยอ๋ออ๋อทันอ ย, ยอมรับกราบไม่สงสัยเนี่ยคือเจ้าเรื่องใจดวงนี้เองไม่แหมเวลามันก่อมันก่อจริงๆนะไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนตายเลยมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วไม่ทราบว่าจิตเป็นไงอีกด้วยหากมีแต่เรื่องยุ่งเหงื่อวุ่นวายเต็มหัวใจไฟมาตราการสู้ไม่ได้เผ่าไฟมาตราการมันอยู่ไหนไม่รู้นะอืม ไฟในหัวใจเรานี่ราคตินาโทสักินามัวกินาความวิ่งเหยื่อมุ่นวายเกิดขึ้นจากไฟเหล่านี้เผาที่หัวใจนี่ไม่มีเวลาสั่งเลยถ้าไม่แก้มันได้หรือให้มันสงบตัวลงได้ด้วยการแก้ขไขดัดแปลงกันเราก็จะแบกอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่โลกไหนก็จะแบกแบกไฟไปมันพิเศษอะไรมันสุขที่ตรงไหนเอาสมมติว่าเราขึ้นจากชั้นนี้ไปชั้นนั้นชั้นบน ก็แบกไปเดินไปมันก็ไปเผาอยู่ข้างบนนั่นเองเหมือนคนไข่ไปอยู่โรงพยาบาลอืมไปอยู่ชั้นไหนก็ไปสิคนไข่นะ่ะมันก็เป็นคนไข่อยู่ในชั้นนั้นๆแหละถ้ามันเป็นมากมันก็ไปควรไปคลางอยู่นู่น น, นั่นร้อยชั้นมันก็ไปร้องไปคล า, างอยู่ในร้อยชั้นนั้นจะเอาความสุขมาจากไหนถ้าไม่หายไข้นะ่ะถ้า ถ้าหายไข้เสียอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่จําเป็นจะต้องไปอยู่ชั้นนั้น <_ d anny> ชั้นนี้มันเป็นปกติธรรมดาไม่ไม่เป็นทุกข์นี่มันทุกข์เพราะไข้ต่างหาบีบบังคับอันนี้ก็ทุกข์เพราะกิเลสต่างหามันบีบบังคับหัวใจพอถอนกิเลสออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็สบาท่านั้นไม่เลือกการสถานที่เว ล, เวลาว่าสูงว่าต่ํามันจะไปที่ไหนมาที่ไหนเพราะจริงอันนี้มันเป็นเงาทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงจริงๆร้อยเปอร์เซนก็คือดวงใจที่บริสุทธิ์แล้วล้ลลลลลวนลวนแล้วนั่นแหละ หมดอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่สนใจเพราะรู้เท่าแล้วนั่นมันไม่ต้องเลเนี่ยท่านมาทันเลิศเลิศอย่างนี้ถ้ามันเห็นตรงนี้เข้าไปเลยว่าพุทธเจ้าเลิศขนาดไหนเราคัดค้านเราไม่ได้แล้วจะไปคัดค้านพุทธเจ้าได้ไงความจริงมันเหมือนกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างเดียวกันแล้วค้านกันได้ลงขอหรือคนเราเนีอแม้แต่ภายนอกอย่างนี้เหมือนกันต่างคนต่างไปเหต์เราจะว่าแลมค้านกัน มันยอมรับกันทำก็ยิ่งเป็นของจินเต็มส่วนด้วยแล้วลูกก็ไปตรงไหนมันไปยอมรับยบมรันมันพากันตั้งใจคือปฏิบตัติผมเมื่อ่อนจะได้ประชุมเทศอบรมบ่อยๆนะทุกวันนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนภาพขันก็ยังว่าไนระวัยมันก็แก่ลงไปเห็นแม่ราชนารงไปเลยขำมันได้แต่มันขยำทำแข็งแม้นหมามันคงเหมือนแต่ก่อนได้ยังไงอยู่ก็หมู่ก็เพื่อนอยู่ไปอย่างนั้นนหละ การแนะนำต่างๆกันแล้วแต่เรื่องทาเรืองขันจะอานวยให้มากน้อยแต่ถา้าขันไม่นวยเนี่ยก็จ้าอะไรมาเทศเพราะท่าขันเป็นเครื่องมือเมื่อเครื่องมือมันชํารุดแล้วจะ อ, อะไรมาใช้มันก็อยู่เฉยเพียงแต่ลำพังใจที่จะมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้นมันต้องอาศัยขันเป็นเครื่องแสดงออกเพั้นหมูพื่อนขอใตั้งอกตั้งใจอย่าให้หนักอกหนักใจนะ สอนแทบลุ่มแทบตายล้วยังให้แบกความน่าอกนา่าใจเพราะเรื่องนั่นเรื่องนี้เกี่ยวกกับหมู่กับเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนี่อีกแล้วนั่นผมอกแตกนะอย่าว่าจะพูดทะเลาะ ก, กันจะอกแตกนะนี่ก็อกแตกได้เหมือนกันเออสรดสองเม็ดนั่นเองอ้อนอย่างหนึ่งเป็นอย่างสอนอย่างหนึ่งผลเป็นขึ้นมาอย่างหนึ่งนะมันขัดมําแยงกันก็แสดงให้เห็นชัดๆว่ากิเลส ก, กับธรรมเข้าแข่งกันในวัดในว่าในครูบาอาจารย์ทั้งๆติดเทศสอน ให้ชำระกิเกลสตลอเวลาแต่กลายเป็นเรื่องของกิเลสมาเป็นคู่แข่งกับธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นฆ่าสึกต่อเพื่อนต่อกผู้งต่อครู ต, อ, ต, อ, ตออาจารย์นั่นยิ่งประจานขายหน้าความเร็วสามต้นยางไม่มีอะไรที่ให้อภัยเลยมันขออห้อยาให้ดูเห็นขอให้ยาให้ดูหยุดมันเอาละเหนื่อยละเสร็จตรงนี้พอ